ที่กำลังวิ่งบนชาญชาลารถไฟฟ้าเพื่อจะได้ขึ้นรถไฟฟ้าทันจูๆนะ่ๆเขาก็เห็นปรากฏการณ์อย่างที่แปลกก็คือร่างกายเนี่ยเขาวิ่งแต่ว่าผมไม่ได้วิ่งด้วยนะอันนี้คำพูดของเขานะร่างกาย วิ่งนะแต่ผมไม่ได้วิ่งด้วยร่างกายเหนื่อยนะแต่ผมไม่ได้เหนื่อยด้วยนันก็แปลกใจมากมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนตอนหลังเขาก็เล่าให้อาจารย์คนหนึ่งนาะที่เขาเคารพนับถืออันถึงเหตุการณ์เนี้ยอาจารย์ก็เลยแนะนําให้เขาลองไปอ่า ฝึกเจริญสติทำความรู้สึกตัวแนวหลวงพ่อเทียนและนั้นเป็นเหตุที่เขาได้รู้จักความรู้สึกตัวแล้วก็คงจะพบคำตอบว่าทําไมตอนนั้นเนี่ยร่างกายวิ่งนะแต่ว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าวิ่งด้วยหรือว่าร่างกายเหนื่อยนะแต่ว่าเขาไม่ได้เหนื่อยด้วย ความรู้สึกโต่งทาให้เขาเห็นว่าเนี่ยทำให้เขารู้ว่า อ, อ๋อร่างกายมันวิ่งนะแต่ว่าผู้วิ่งไม่มีร่างกายเหนื่อยนะแต่ว่าผู้เหนื่อยนี่มันไม่มีแล้วเขาก็ได้พบในเวลาต่อมาว่าความรู้สึกตัวเนี่ย ม, มันทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะในตัวเขาหลายอย่าง อย่างแรกคือว่าความสึกตัวมันสอนให้เขาเห็นเห็นความโกรธเห็นว่าเขาเป็นคนที่เจ้าอารมณ์มักโกรธแล้วพอโกรธทีไรเนี่ยแล้วแสดงอาการออกไปเนี่ยไม่ว่าด้วยควาพูดหรือการกระทาก็จะเกิดความรู้สึกผิดตามมาก็เลยเห็น ทั้งความโกรธและความเศร้าความเสียใจเคียงคู่กันแต่ว่าพอเห็นบ่อยๆนะอารมณ์เหล่านี้มันก็รบกวนเขาน้อยลงแล้วเขายังบอกว่าเนี่ยความสุดตัวมันยังสอนให้เขาหเห็นนะ พราเขาเป็นคนที่ไม่ให้อภัยตัวเองเป็นคนที่ชอบบ่นกลนดา่าโบยตีตัวเองเวลาทําผิดทําพลาดพลาดทีไลเ ก, ก็โกรธนะต่อว่าตัวเองแล้วก็ไม่ยอมให้อภัยเลย แต่วันหนึ่งเนี่ยนยที่เขาปฏิบัติอยู่นะทำความสึกตัวอยู่ ก, ก็เป็นเหตุการณ์ที่เขาเคยทำผิดทำพลาดโผล่ขึ้นมาเป็นฉากๆเลยทีละฉากทีละฉากทีละฉากแต่เขาก็ดูมันนะเหตุการณ์ตัวอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไป แล้วก็ดูมันเฉยๆแล้วก็พบ ว, ว่าไอความรู้สึกผิดหลาวนั้นเนี่ยที่มันเคยรบกวนหลังความจิตใจเขาเนี่ยัแ้แต่นั้นมาเขลดน้อยถอยลงแล้วก็เลือนหายไปแล้วก็พบ ว, ว่าเนี่ยความรู้สึกตัวนี่มันทำให้เขามีอิสระมากขึ้น แต่ก่อ น, นเนี่ยนะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาบงการชีวิตเขาเห่นความกลัวความรู้สึกผิดแต่ว่าพอทำความสึกตัวอยู่บ่อยๆไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เข้ามาบงการชีวิตเขาน้อยลง แล้วที่เคยมาบ่อยๆก็เลือนหายไปแล้วทเคยมีพลังอํานาจเหนือขา้ามก็ค่อยๆแผ่วลงรวมทั้งความอยากด้วยแล้วก็ น, นี่อยากได้นอนอยากได้นี่อยากจะมีอยากจะเป็นสารพัดแต่ความรสึกตัวทําให้ความอยากเหล่านี้ไม่ค่อยลดลงลดลง มาบงการช่วยเขาน้อยลงและทำให้เขาพบว่าเนี่ยชีวิตนี้กลับมาเป็นของเขาอีกครั้งหนึ่งชีวิตนี้กลับมาเป็นของผมอีกครั้งหนึ่งนอันนี้เป็นคำพูดของเขาว่าแต่ก่อนเนี่ยชีวิตเขาเขถูก สิ่งต่างๆบงการควบคุมเช่นพอโกรธนี่ก็อาราวาดออกไปตามน่างความโกรธเวลาเศร้าก็ทำให้หงอยเหงาซึมหรือว่าเวลาอยากอะไรขึ้นมาก็กระตุ้นให้เขาติาดล้นสแสงหาแล้วก็เหนื่อย เวลานึกถึงเหตุการณ์ในเดีก็ทำให้เขารู้สึกผิดรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีกับตัวเองแต่ทั้งหมดนี้มันก็ลดน้อยถอยลงไปมากนะเพราะว่าความรู้สึกตัวนะมันทำให้สิ่งเหล่านี้มันมามีที่ผลบงการชีวิตเขาได้น้อยลงหรือไม่ได้เลยนะในบางเรื่อง ก็เลยรู้สึกว่าเนวิตที่กลับมาเป็นของเขารู้สึกว่ามันเป็นความสึขอิสระนะเป็นความอิสระอิสระจากสิ่งที่มาบงการครอบงำชีวิตจิตใจเขาเม่อประสบการณ์ที่เขาเล่ามันก็น่าสนใจนะมันทำให้เห็นเลยนะว่าความสึกตัวนี้มันมีอนุภาพมาก เตาการที่เขาเล่าเนี่ยนะความสึกตัวนี่มันไม่ใช่เป็นสิ่งลี้ลับนะมันก็มีอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วเหตุการณ์ที่เขาเล่าเนี่ยที่กำลังวิ่งนบนชานชาลาเพื่อเที่ยวขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยตอนนั้นเขายังไม่ได้เข้าคอร์สไม่ได้เข้ากรรมฐานเลยแต่ว่าการที่เห็นร่างกายมันวิ่งนะแต่ตัวเองไม่ได้วิ่งเนี่ย หรือว่ามันไม่มีมัน ม, มีผู้วิ่งเนี่ยอันนี้มันเป็นเพราะความสึกตัวแท้เลยนะความสึกตัวหรือว่าเมื่อรดก็ตามที่เรามีสติขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีมันก็เห็นแต่กายที่เคลื่อนนะแต่ว่ามันไม่มีกูเป็นผู้ทา มันมีเวทนาเกิดขึ้นนะแต่ว่าเช่นความเหนื่อยนะแต่ว่าไม่มีผู้เหนื่อยเพราะในเวลานั้นเนี่ยมันไม่มีการปรุงตัวกูขึ้นมาเป็นนั่นเป็นนี่มีความสึกตัวเมื่อไหร่นะตัวกูก็หายไปเพราะว่าตัวกูมันเกิดจากการปรุงแต่งด้วยความหลง หลงเมื่อไหร่นะตัวกูก็โผล่ขึ้นมาทันทีแต่พะรู้สึกตัวนะตัวกูก็หายมันมีแต่รูปกับนามมันมีแต่กายกับใจเดินก็รูปเดินเป็นการกระทำของรูปนะไม่ใช่เป็นกูหรือมีกูผู้เดินอันนี้มันเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ยังไม่ได้ เข้าคอสไม่ได้ปฏิบัติเลยแต่ความรู้สึกตัวที่มันเกิดขึ้นมาชั่วขณะมันก็ทําให้เขาได้เห็นหรือได้ประสบกับเหตุการณ์ที่ว่าซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะทำให้ชักนําให้เขานําไปสู่การปฏิบัติทําความรู้สึกตัวในการเจริญสติมากขึ้นและเมื่อเขาปฏิบัติเนี่ย ทำความสุกตัวมากขึ้นก็ทำให้เขาเห็นอะไรหลายหลายอย่างอยู่ที่ใช้คาว่าสอนนะความสึกตัวสอนให้ผมเห็นความโกรธสอนให้ผมเห็นความรู้สึกผิดให้สอนให้เห็นว่าเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมให้อภัยตัวเองแค่ สอนเท่านี้ก็มีค่าแล้วนะเพราะว่าคนจานวนมากเนี่ยเอาโกรธก็ไม่รู้ว่าโกรธนะเศร้าก็ไม่รู้ว่าเศร้านะเวลารู้สึกรู้สึกผิดก็ไม่รู้ตัวแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะไม่ใช่แค่สอนให้เห็นว่าเป็นคนที่ชอบโกรธเจ้าอารมณ์หรือเป็นคนที่ชอบบยตีตัวเองไม่ให้ภัยตัวเอง มันพาเข้าไปไกลกว่า น, นั้นนะทาให้เป็นอิสระจากอารมณ์เหล่านั้นไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะไม่ใช่มันกบดานการปฏิบัติเนะี่ยสำหรับหลายคนเนี่ยเวลาปฏิบัติก็มุ่งอยากจะให้มีความสงบไม่อยากให้อารมณ์ต่างๆ ขึ้นมารบกวนจิตใจเพืา ะ, ะทำให้ไม่สงบแต่ว่าความสงบที่ปรารถนาอย่างนี้เนี่ยนะมันก็ไม่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในจิตใจตัวเองเท่าไหร่หรือไม่มากเท่ากับการที่ยอมให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ดูมัน ดูมันด้วยความรู้สึกตัวดูมันด้วยสายสติแล้วพอมีความรู้สึกตัวหรือพอมีสตินะอารมณ์พวกนี้นี่มันกลับกายมาสอนสอนให้เราได้เห็นหเห็นถึงความไม่เที่ยงของมันเห็นว่ามันมาแล้วก็ไปหรือเห็นว่าเนี่ยมันทำอะไรเราเราไม่ได้ ตเราแค่เห็นหรือว่าดูมันอยู่แบบที่เรียกว่าอย่างที่ครูบาอาจารย์เรียกว่ารู้สึอๆไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นที่ไรแล้วมันจะจะลากรูถูกลงชีวจิตใจเราไปได้มันไม่ใช่อย่างนั้นถ้ามีความสึกตัวนี่ก็เห็นมันอย่างที่หลวงพ่อคําเกณฑว่าเห็นไม่เข้าไปเป็น ไอ้ที่ทุกเนี่ยหรือไปอยู่ในอำนาจของมันเนี่ยก็เพราะเขาไปเป็นนะเป็นผู้โกรดเป็นผู้เศร้านะเป็นผู้เครียดก็ไปเป็นเมื่อไหรน่นี่มันก็นมีอำนาจเหนือเราทันทีเผาลนจิตใจหรือว่ากดทวงงงทับใจให้หนักอึ้ง หรือมันเรยกลีดแทงใจแต่พอมันทำเขาสึกตัวนะมันเกิดขึ้นก็ก็ดูมันมันก็จะมีอำนาจเหนือจิตใจเราน้อยลงแถมกับกลายเป็นครูเลยนะสอนให้เห็นเลยนะว่าที่มันมีอำนาจเหนือเราได้เพราะ ก็ไปเป็นมันก็ไปยึดมันหรือแม้กระทั่งไปผักสายมันนะหลายคนที่ปฏิบัติเพื่อจะเอาความสงบเนี่ยพอมีอารมณ์พวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยหรือแม้กระทั่งความคิดที่ฟุ้งซ่านผุดขึ้นมานี่ก็จะพยายามผลักสายมันพอพยายามผลักสายมันนี่ก็เสร็จมันเลยนะเข้าทางมันเลย เมืนพอไปผักมันก็ติดเลยนะติดหนึบเลยอันนี้เรียกว่าเกิดความยึดติดเป็นการให้อำนาจเป็นการให้พลังมันมันก็เข้ามามีอิทธิพลต่อจิตใจเรามากขึ้นยิ่งผักสายมันยิ่งคงอยู่นะแต่พอตระหนักรู้นะด้วยความสึกตัวนะหรือเห็นมันเนี่ยมันก็หายไปหรืถึงยังไม่หายก็ มีพิษสงน้อยลงก็กลายเป็นว่ามันสอนเรานะสอนเราว่าเนี่ยไอ้ที่ทุกเนี่ยเพราะเข้าไปยึดติดทุกเพราะว่าหลงเข้าไปในอารมณ์แต่ถ้าเกิดว่ามีความสึกตัวหรือว่าดูมันเฉยเฉยอย่างที่ครูบาจายรย์หรยกว่ารู้ซื่อเนี่ย มันก็ทำอะไรไม่ได้แถมยังสอนให้เราเห็นนะสัจธรรมด้วยนะว่าสอนอะไรนะสัจธรรมที่ว่าเนี่ยอ น, นิจจังนความไม่จีรังความไม่เที่ยงมันมาแล้วก็ไปดะ้ก็พระชใช้ควาว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการเป็นของดีไปเลยนะอารมพวกนี้เนี่ย แทนที่มันจะกลมขีเราแทนที่จะฉุดเราให้ย่ำแย่แต่มันกลับสอนเราให้เกิดปัญญาอันนี้เป็นความรู้สึกตัวและเป็นเพราะเมื่อมีความรู้สึกตัวเนี่ยและปฏิบัติถูกเนี่ยมันก็จะไม่ไปหาทางปิดกัน้นกดขม่มอารมณ์เรานั้นยอมให้มันเกิดขึ้นอนุญาตให้มัน ปรากฏขึ้นมาในใจซึ่งตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าหลายคนที่ปฏิบัติเนี่ยพอมุ่งเจ้าความสงบเนี่ยนะก็พยายามทำทุกวิถีทางนะเพื่อไม่ให้อารมณ์เหล่านี้รวมทั้งความคิดเนี่ยเกิดขึ้นมาด้วยพยายามบัง ค, บบงคับจิตให้อยู่กับลมหายใจบังคับจิตให้อยู่กับเท้าให้อยู่กับมือเพราะว่าถ้า ไม่บังคับมันเดี๋ยวมันก็จะถลายทะเลทะเลถลายไปโน่นไปนี่หรือปรุงแต่งทำให้ใจไม่สงบแต่ที่จริงเนี่ยถ้าอนุญาตหรือยอมให้มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ดูมันเฉยเฉยมันก็ไม่ทุกนะแต่ก่อนเคยคิดว่าทุกเพราะความคิดก็เลยพยายามไม่คิดพยายามทำแล้วก็ตามเพื่อที่มันจะไม่คิด แต่ตอนหังพบ ว, ว่าเนี่ยมันไม่ทุกเพราะความคิดหรอกนะแต่ทุกเพราะหลงเข้าไปในความคิดไปยึดในความคิดนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ถ้าไม่หลงเข้าไปในความคิดนะมันเกิดขึ้นก็ยังคงรู้สึกตัวดูมันหรือใช้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็ทําให้ใความคิดนั้นเนี่ยมันทําให้ใจเราเป็นทุกข์ไม่ได้ เพราะว่าไม่ได้เข้าไปเป็นถ้ามีมีคนถามาว่าเนี่ยภาวนาแล้วเนี่ยทำกรรมฐานแล้วมีความสุขไหมช่วยเล่าให้หน่อยนะว่ามีความสุขจากการภาวนาอย่างไรมันเขบอกมันต้องความสึกตัวมันให้เขามากกว่าความสุขนะมันให้ความอิสระมันทําให้เขาเป็นอิสระสระจากความคิดจากอารมณ์ต่างๆ อันที่เขาใช้คำว่าชีวิตกลับมาเป็นของผมอีกครั้งนี่ย อ, อันนี้มันมีค่ามีความสำคัญนะยิ่งกว่าความสงบพอสงบที่หลายคนได้รับจากการปฏิบัติเนี่ยพอสงบแล้วนี่มันเกิดติดสงบนะติดสงบขึ้นมาติดสงบขึ้นมานี่มันก็ยากเลยนะ พอเวลาความสงบที่ว่าเนี่ยมันมันไม่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะผิดหวังก็จะหงุดหงิดอย่างบางคนโอ เ, เมื่อวานเนี่ยทำแล้วดีเลยนะสงบมากเลยแต่วันนี้พอทำเนี่ยมันไม่สงบอย่างเมื่อวานจะเป็นทุกข์เลยนะอาจจะทุกข์กว่า ตอนก่อนปฏิบัติด้วยซ้ำตอนก่อนปฏิบัติเ อ, อิมไม่สงบขนาดนี้นี่ก็หรือฟุ้งซ่านขนาดนี้ก็โอเคแต่พอเคยเจอความสงบที่รู้สึกประทับใจแล้วมันไม่กลับมามันยังฟุ้งเหมือนเดิมแต่คนนี้ไม่ได้ทุกข์เท่าเดิมแล้วมันทุกข์กว่าเดิม เพราะความติดสงบเพราะความคาดหวังและมันไม่ใช่แค่ติดสงบอย่างเดียวนะมันยังไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงในจิตใจด้วยรวมทั้งไม่รู้วิธีจัดการรับมือกับอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นตอนปฏิบัติก็เกิดความสงบแต่พอกลับไปบ้านนะมีเรื่องกระทบทำให้ คิดโน่นคิด น, น, ดนี่หรือทำให้เกิดความหงุดหงิดไม่รู้วิธีที่จะรับมือกับมันก็ปล่อยมันคอบงำก็ไปยึดมันหลงมันกลายเป็นผู้เครียดนะกลายเป็นผู้หงุดหงิดก็เรียกว่าความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงมันแค่สงบชั่วคราวเวลาปฏิบัติแต่พอกลับไปสู่ ชีวิตเดิมๆหรือโลกภายนอกเนี่ยก็เหมือนเดิมอาจจะยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าความติดสงบมันทำให้เป็นทุกข์มากขึ้นเมื่อไม่ได้เจอความสงบอย่างที่เคยพบแต่ถ้าเราทำความรู้สึกตัวนะแม้ว่ามันจะมีความคิดเนลงต่างผุดขึ้นมา แต่ว่ามันก็ทำะไรจิตใจเราไม่ได้มันทำให้เกิดอิสระอิสระภาพขึ้นมาซึ่งที่จริงมันก็เป็นความสงบชนิดหนึ่งนะเพ่อพอจิตเป็นอิสระจากอารมณ์หรือความคิดเหล่านี้แล้วเนี่ยใจมันก็สงบแต่เป็นความสงบเพราะรู้ทันสงบเพราะรู้จักรับมือกับมัน สงบเพราะได้เรียนรู้จากมันไม่ใช่สงบเพราะกดข่มมันซึ่งบางทีก็มักจะซึ่งบอยครั้งมักจะไม่ได้ผลหรืออาจจะเกิดขึ้นชั่วคราวเวลาเปลี่ยตัวมาอยู่วัดเวลาเปลี่ยตัวออกไปจากผู้คนการทำความสึกตัวมันจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะต่อชีวิตของเรามาก แล้วเราก็สามารถที่จะทำได้ทุกที่ทุกเวลาเนะมื่อแล้ก็ตามที่ใจเราเนี่ยอยู่กันเนื้อกับตัวทำอะไรเนี่ยมันก็กลายเป็นการการทำด้วยความรู้สึกตัวทาด้วยสตนะิมันก็มีหลัง ง, ง่ายๆนะตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเป็นหลัง ง, ง่ายๆถามตัวเองว่าตอนนี้เนี่ย ใจเราอยู่ไหนถ้าใจเราไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวนี้มันก็ไม่ใช่ความรู้สึกตัวแล้วหรือว่าใจเราออกไปเพ่นพ้านข้างนอกแอนเชียอยู่ที่ศาลานี้อันนี้ก็ใจก็ไม่รู้สึกตัวแล้ ว, ลวหรือกินข้าวอยู่แต่ใจไม่รู้อยู่ไห น, ล อ, ไหนลอยไปนั่นลอยไปนี่อันนั้นก็เรียกว่าไม่รู้สึกตัวแล้วไม่ได้เรียกว่ากินข้าวอย่างมีสติมันเป็นเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาได้ไง่าย แล้วเขก็เป็นหลักการปฏิบัติที่เข้าใจได้ไม่ยากเวลาทำอะไรนะทำด้วยความรู้สึกตัวซึ่งเกิดขึ้นใต้มื่อเอาใจเราอยู่กับสิ่งนั้นหรือใจอยู่กับตัวเต็มร้อยจะทํากันได้ต้องทําท่าไรอย่างถ้าทํำหลายอย่างใจก็ไม่ได้อยู่กับสิ่งที่กําลังทําเต็มร้อย นะในการที่ใจมันจะอยู่กันแล้กับตัวก็เป็นไปไม่ได้ทำอะไรทำเทื่อะอย่างไม่ต้องทําอะไรอย่างพร้อมกันรวมทั้งไม่ปล่อยใจคิดโน่นคิดนี้มันก็เป็นการค่อยๆสร้างความสึกตัวแล้วก็เป็นการเจริญสติไปพร้อมๆกันเพราะมันเป็นสิ่งที่คู่กันสติความสึกตัวนี่มันเกือ้อกูลกันมีสติเห็นความคิด ทำให้จิตหลัวจากความคิดจิตก็กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาได้สติเมื่อไหร่นะมันก็เกิดความรู้สึกตัวเมื่อนั้นหรือเมื่อเกิดความรู้สึกตัวเมื่อไหร่นะมันก็หลุดจากอารมณ์ต่างๆมันไม่ได้แค่หลุดอย่างเดียวนะมันได้เห็นด้วยมันหลุดพร้อยเห็นได้เห็นแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ได้รู้กายรู้ใจได้รู้ทันธรรมชาติของอารมณ์ ซึ่งมันก็ทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดความเฉลียฉลาในการรับมืออารมณ์หรือจัดการกับอารมณ์เหล่านั้นนั่นคือไม่ผักใสไม่กดขม่มแค่ดูมันเฉยๆถ้าเรารู้จักทงความสุดตัวนะความสงบมันก็มาเองอิสระ จากอารมณ์ต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันที่ทำให้เป็นความสงบอย่างแท้จริงไม่ใช่ว่ามันไม่เกิดมันเกิดนะไอ้พวกอารมณ์เราเนี่ยแต่มันทำลราเราไม่ได้มันเป็นเคล็ดลับนะที่เราสามารถจะรู้เพราะเราฝึก เราทองคำสึกตัวบ่อยๆเอาชาเนเผื่เท่านี้นะออกอครับ